สมาธิที่เป็นไปเองตามธรรมชาติความเข้าใจของนักสมาธิในปัจจุบันนี้ประเภทหนึ่งพอเราบริกรรมภาวนาก็ดีหรือกำหนดอะไรก็ดีแล้วก็ข่มจิตบังคับจิตให้มันหยุดนิ่งอาศัยการฝึกจนคล่องชำนิชำนาญเราจะให้หยุดเมื่อไรมันก็หยุดได้แต่มันไม่ใช่สมาธิ สมาธิที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องเช่นเราบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังยุบหน่อพองหนอหรือพุทโธก็ตามเราไม่ได้บังคับจิตหน้าที่ของเราท่องบริกรรมภาวนาอย่างเดียวจิตจะสงบเป็นเรื่องของจิตไม่สงบเป็นเรื่องของจิตธรรมชาติของจิตเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจิตจะเกิดพลังขึ้น เมื่อจิตรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาเราไม่ต้องบังคับถึงจังหวะเขาจะสงบของเขาเองอันนี้เรียกว่าสมาธิตามธรรมชาติทีนี้พอจิตสงบพับลงไปนิดหน่อยพอรู้สึกสบายสบายสงบหนอจิตก็ถอนจากสมาธิพอเผลอๆไปมีปิตินิดหน่อยปิติหนอจิตจะถอนจากสมาธิ พอมีความสุขสุขหนอจิตก็ถอนจากสมาธิเสร็จแล้วมันก็เข้าไม่ถึงเสร็จแล้วมันก็ไม่เข้าไปถึงสมาธิตามหลักธรรมชาติสักทีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแก้ปัญหาเรื่องสมาธิไม่ตกแต่จะด้วยประการใดก็ตามในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนกชนจุดยืนของจิตของเราคือคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงค์พระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรพระพุทธเจ้าคือจิตมีสติรู้สึกสำนึกรับผิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลาหมายถึงว่าจิตมีสติรู้ตัวอยู่เป็นจิตผู้รู้เมื่อจิตมีสติเข้มแข็งก็เป็นจิตผู้ตื่นตื่น เตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาพออะไรเกิดขึ้นมาพับรู้พับเกิดขึ้นมาพับรู้พับรู้แล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปถ้าอะไรข้องใจจิตจะหยิบมาพิจารณาของมันเองพอมันพิจารณาตกไปแล้วมันทิ้งพับมันจะเป็นกันอยู่อย่างนี้ อันนี้เป็นสมาธิที่เป็นไปเองตามธรรมชาติเวลามันจะสงบมันก็สงบวูบวูบวูบลงไปจนกระทั่งตัวหายเวลามันสงบพับลงไปนิดหนึง่งมันจะเกิดความรู้มันก็ผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นอย่างกับน้ําพุอันนี้คือสมาธิตามหลักของธรรมชาติเพราะฉะนั้นในเมื่อใครมีจิตรู้ตัวด้วยสติตื่นอยู่ด้วยความมีสติ แล้วก็เบิกบานอยู่ด้วยความมีสติเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน